<c oughs> หลวงพ่อเคยไปทีนะะไปวัดหลวงปู่สุวัดเขาน้อยมีเทพหลายอันเอาเบาบางหน่อยนะไปแล้วก็ไปนั่งดูหลวงปู่โอ้หลวงปู่สบายไปแล้วดูญาติโยมรอบรอบตัวเรานี่เป็นสิ่งแปลกปลอมสำหรับเรา <c oughs> พวกนี้ฝึกมาคนเราุ่นกับเราไอเรานี่พวกห่วยแตกนะพวกตกรุ่น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 ถามว่าฟุ้งอะไรฟุ้งในกามหรือเปล่าไม่ได้ฟุ้งในกามเพราะเป็นพระอนาคามีแลแต่ฟุ้งในธรรมนะเพราะงั้นอุทธัตจะสังโยชนี่กับอุทธัตจะในนิวรณ์เนี่ยไม่เหมือนกันอุทธัตจะในนิวรณ์เนี่ยมันอุทธัตจะฟุ้งซ่านไปในกามอุททัตจะสังโยชนี่มือนฟุ้งซ่านไปในธรรมเช่นอย่างคนกวัาพิจารณาธรรมอยู่จิตยังทํางานอยู่กลัวไม่หลุดพ้นกลัวงโง่